ตอนที่สองวัยกุมารตามที่พระรุษีผู้สูงอายุและนักปราชญ์ทั้งหลายมีความเห็นพ้องกันว่าพระโอรสของพระเจ้าสุดโททนะไม่ได้เป็นกุมารตามธรรมดานั้นคำกล่าวข้อนี้ได้ปรากฏเป็นความจริงยิ่งขึ้นทุกวันพระแม่นาประชาบดีธนุถนอมกล่อมเกลี้ยงพระกุมารมา จนพระชนได้แปดพันษาพระบิดาได้ประทานครูบาอาจารย์ถวายการศึกษาวิชาอ่านเขียนและคำนวณซึ่งพระกุมารก็ศึกษาวิชาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจนเป็นที่ชงหนสนเทศแก่คนทั้งหลายตลอดจนครูอาจารย์และพระบิดาพระมาดาเลี้ยงเรื่องใดที่พระองค์จะต้องทรงศึกษา เรื่องนั้นไม่เป็นความยากลําบากแก่พระองค์เลยได้รับการแนะนําวิชาใดเพียงครั้งเดียวก็จําได้ทันทีไม่มีลืมพระองค์ทรงมีอะไรๆเหนือคนธรรมดาสามัญมากมายจริงๆและแม้พระองค์จะทรงมีอัจฉริยะสูงสุดในการศึกษาถึงเพียงนี้ทั้งยังอยู่ในฐานมะมกุฎราชกุมารผู้จะครองบัลลังก์ในอนาคตก็ตามพระองค์ มิได้ละเลยที่จะแสดงความเคารพนอบน้อมในฐานะเป็นสิทธิทรงระลึกสานึกอยู่เสมอว่าโดยอาศัยครูอาจารย์นี่เองคนเราจึงได้รับสิ่งที่มีค่าสูงสุดนั่นคือวิชาความรู้ในทางกําลังกายก็เช่นเดียวกันในฐานะที่ได้รับการอบรมมาอย่างผู้มีกาเนิดในวรรณะกษัตริย์คือนักรบ พระองค์เป็นนักขี่ม้าที่ใจเย็นและห้าวหาญทั้งเป็นนักขับรถที่สามารถทรงเชี่ยวชาญมาแต่เยาววัยเคยแข่งชนะคู่แข่งที่เก่งที่สุดในประเทศของพระองค์แต่บางครั้งแม้ใกล้จะชนะการแข่งขันพระองค์ก็ยังมีเมตตาต่อม้าที่เคยช่วยให้พระองค์มีชัยชนะอยู่เสมอเสมอโดยทรงยอมเป็นฝ่ายแพ้เสีย แทนที่จะขับเขียวม้าจนมากเกินกำลังของมันไปเพื่อเห็นแก่ความชนะโดยถ่ายเดียวพระองค์มิใช่จะส่งปราณนีเฉพาะแต่ม้าของพระองค์เท่านั้นก็หาไม่แม้สัตว์อื่นๆทุกชนิด ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อและกรุณาเช่นเดียวกันแม้พระองค์เป็นลูกกษัตริย์ไม่เคยประสบความทุกข์ความลำบากอย่างใดเลยก็จริงแต่น้ำพระทัยยังทราบถึงจิตใจของสัตว์เหล่าอื่นว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ปรารถนาความเจ็บปวดทุกทนทรมานครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จออกไปเที่ยวเล่นนอกเมืองกับเจ้าชายเทวทัต ญาติเรียงพี่เรียงน้องของพระองค์เจ้าชายเทวทัตได้ยิงหงส์ซึ่งกำลังร่อนผ่านมาตัวหนึ่งลูกสอนนั้นถูกปีกหงส์ทำให้มันต้องถลาตกลงมาอย่างพื้นดิน ม, มีแผลใหญ่ได้รับความเจ็บปวดอย่างยิ่งเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะวิ่งไปถึงหงส์ตัวนั้นก่อนทรงอุ้มมันขึ้นอย่างระมัดระวังแล้วชักลูกศร อ, ออกจากปีกนก ทรงบรรจงยัดใบไม้อันมีรสเย็นเข้าไปในบาดแผลอันลึกนั้นเพื่อให้โลหิตหยุดไหลทรงประคองลูบไปมาอย่างเบาๆเพื่อบรรเทาความเจ็บและความตื่นกลัวของหงนั้นเจ้าชายเทวทัตขัดเคืองพระไทยเป็นอันมากและเรียกร้องให้คืนหงแก่พระองค์ในฐานะเป็นผู้ยิงมันตกเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ได้ทรงปฏิเสธที่จะมอบนกหงส์ตัวนั้นให้โดยตรัสตอบว่าถ้าตายมันจึงจะเป็นของผู้หญิงแต่นี่มันยังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องเป็นของผู้ที่พยายามช่วยชีวิตมันแต่เมื่อเจ้าชายเทวทัตยังยืนกรานว่ามันควรเป็นของพระองค์ซึ่งเป็นผู้หญิงมันตกกับมือเองเจ้าชายสิทธัตถะ จึงเสนอให้นำข้อพิพาทนี้เข้าที่ประชุมนักปราศพิภาคสาชี้ขาดณนะที่ประชุมใหญ่นั้นบางท่านก็วินิจฉัยว่าหงนั้นควรเป็นของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะบางท่านก็ว่าควรเป็นของเจ้าชายเทวทัตไม่เป็นที่ยุติลงไปได้แต่ในที่สุดมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนได้ลุกขึ้นยืนกล่าวว่า โดยแท้จริงแล้วชีวิตต้องเป็นของผู้ที่พยายามช่วยไว้ชีวิตต้องไม่เป็นของผู้ที่พยายามทำลายทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วยกับเหตุผลอันเที่ยงธรรมนี้จึงตัดสินให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้รับหงนั้นไปซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่บำรุงรักษาจนแผลของมันหายสนิทจึงทรงปล่อยมันสู่ความอิสระ กลับไปมีความสุขกับฝูงของมันในสะกลางป่าลึก